เรื่องดาบสองคมในทางพระพุทธศาสนาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอนมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม่บ ร, ริญิพานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าว ความนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบยือกเจ็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจไปในธรรม ผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ไฝบไุญไฝกุศลทางหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในะโอกาสนี้ <c oughs> ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านต่างหลายจะได้ฟังการกล่าวทำมีคาถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้ว ขอให้ท่านตั้งร้ายจงตั้งอกตังก้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันเตือนจิตสกิจใจในวิธีทางแห่งการดาเนินชีวิตให้มันเกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ภาษาศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ ถ้ามีกระทในวันนี้มีหัวข้อที่จะนำมาก่าวโดยมีหัวข้อว่าอุตริมนุสธรรมดาบสองคมในทางพระพุทธศาส <c oughs> นาใค่องทั้งหลายได้วางใจเป็นกลาง ตั้งใจฟังโดยยังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ก็่าเพิ่งปฏิเสธอุตริมนุสธรรมดาบสองคมของพระพุทธศาสนานี่คือเรื่องที่จะน้ำมากกลามอุตริมนุสธรรมเป็นคำพูดเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาแปลว่าทำอันยิ่งสำหรับมนุษย์ ธรรมดาผู้ผูุชนคิดไม่ถึงเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในมนุษย์ผู้ได้รับการฝึกฝนตนเองมาไม่มีความหมายอย่างนี้แหละยกวธรรมอันยิ่งของมนุษย์ซูปเปอร์ฮิวแมนสเตเขาพูดเป็นภาษาฝรั่งอย่างนี้เขาแปลอย่างนี้ คือําอันยิงของมนุษย์ h e กตาออร์ดินารีแอดเทนเมนต์พอจะพูดได้อย่างนี้แหละคือว่ามันเนื้อธรรมดาเนื้อธรรมดาเนื้อมนุษย์ธรรมดาเป็นเสมือนดาบสองคมในทางพระพุทธศาสนา คือเป็นไปในส่วนที่เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้พุ่งโรธไปเลยก็ได้เรียก ว, ว่ารุ่งโรดพุ่งพวดขึ้นไปเลยปราดเปื้องโด่งดังในขณะเดียวกันถ้าทำไม่ถูกกาละถูกเทสะก็กำลังทำลายตนเองให้สั้นลง ด้เห็นนี่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงมองไปไกลมากได้ ว, า, วางหลักบัญญัติพระวินัยขึ้นมาคือถ้าภิกษุกมื่บวชในศาสนานี้อวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงโดยเจตนาปัถนาลามกวังลาสกละเสียงเยินยอหลอกลวงชาวบ้านให้ลงกลหลงเชื่อ ในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงที่โดนเองเป็นไปไม่ได้ให้เขาลงเชื่อให้เขาเคารพนำลาบสกระเสียงเยินยอดทั้งหลายมากลับไหวบูชาถวายท่านพระพุทธเจ้าองหัละกิริวะ ย, ยอดแห่งมหาโจรในโลกเทวโลกพร ม, มโลกมารโลก แต่ในขณะเดียวกันถ่ะมันมีจริงก็มาอวดกับคนทั่วไปกัอบมนุษย์สัมพันคนที่ยังไม่ได้บวชดังกับปรับอาบัตอีกเหมือนกันแต่เบาหน่อยหรือว่ า, าบัตประจิตตีิอุตรีมนุษยธรรมคุณวิเศษหรือการบรรลุธรรมอย่างสูงที่เกินปกติของมนุษย์สามัญเช่นเรื่องสมาธิเรื่องชาเรื่องสมาบัติเรื่องมรพน ถ้าอวดโดยตนไม่มีคุณวิเศษอย่างนั้นจริงคือหลอกลวงเขาย่อมต้องอปัติปราชิกขาดจากความเป็นพิกษุแต่ถึงแม้ว่าจะได้บรรลุ ค, คุณวิเศษนั้นจริงจริงถ้าพูดอวดหรือบอกกล่าวแก่ชาวบ้านหรือผู้อื่นผู้ใดที่ไม่ใช่พิกษุหรือภิกษุณีก็ไม่พ้นความผิดเพียงแต่เบาลงมาหน่อยเป็นอปัตปิจิตี เมื่อสองสัปาหก่อนมีโยมมหาจากจังหวัดจันทบุรีในขณะที่โยมมาก็พอดีฟิกษุพระฝรั่งสึ่งมาจากอเมริกาอยู่ที่วัดมาเจริญสมาธิภาวนามาศึกษาทำวินนถ้าเก้ดใจของท่านบวชอยู่ที่วัดปานานาชาติ เมืองอุบลมาเป็นหน้าเกิดตั้งหลายปีหลังจากนั้นท่านก็ได้ฟังธรรมก็เกิดความเลื่อมใสขอตามมาประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยในขณะที่โยมกำลังนั่งสนทนาอยู่โยมมาจากจันทบุรีมาเลือกมาอะไรอยากจะได้เทพบรรยายธรรมะไปฟังก็พระฝรั่งท่านก็มากราบแล้วก็มา สอบถามกันนิดหน่อยเรื่องการประพฤติปฏิบัติแต่เราได้พูดเป็นภาษาอังกฤษในเกาะหลังจา ก, กนั้นท่านเกาไปบิณฑบาตที่นิยมนี่ก็ถามว่าเป็นยังไงฝรั่งครับมาบวชนี่ปฏิบัติยังไงตั้งอกตั้งใจยังไงดีไหมเวลาคบเวลาฉั้นยังไงอาตมา ก, ก็ว่าสบายฝรั่งตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำดีมาก ฉันข่าวเนี้ยวันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวอาหารตามมีตามเกิดมึงกับพวกเหล่านี้แหละโอ้แล้วเขาก็ถามต่อไปว่าเป็นยังไงการปฏิบัติอาตมาก็บอกว่าปฏิบัติ ด, ดีดีกว่าพระไทยเราหลายรูปพอเราตีละครั้งขึ้นมาพระฝรังก็ต้องตื่นขึ้นมาตีสองก็ตีสองเหมือนกันนั่งสมาธิจนสว่างพระไทยนเนนไทยของเราง่วงสงกสงางา แต่ฝรั่งก็ยังประคองสติมั่นคงโยบไม่ค่อยง่วงและมีความเคารพทาวิในอย่างมากว่าง่ายสอนง่ายแม่ท่านจะเป็นชาวต่างชาติทั้งก็อุตส่าห์ค้นขวายและโยงกระถามเข้ า, าไปอีกถามคล้ายๆว่าเคยคงเคยจะเป็นคนที่เคยบวชมาก่อนเป็นยังไงปฏิบัติถึงชานไม่พวกฝรั่งถึงชานไม่ไปได้ถึงอริย ญ, ญาไหม อาตมาเขาบอว่าโฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็ขอร้องว่าอย่าได้ถามกันเลยถ้าไปถามพระพุทธเจา้านก็สั่นหัวอีกแล้วเรื่องชาเรื่องสมาบัติเรื่องอภินญยาอย่างนี้มันมินเมนะเป็นการอวดถ้ามีจริงพูดออกไปกับโยมซึ่งเป็นคนธรรมดาพระพุทธเจา้าท่านก็ปรับอาบัติปาจิตตี จะได้หามตาตมาอย่างนี้เลยขอบอกให้ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นแขกเป็นไทยเป็นจีนเป็นลาวเป็นเขมรและพม่าอะไรก็ตามเถอะยังมีความทุกข์แบบเดียวกันนั่นแหละเกิดแก่เจ็บตายเป็นเหมือนกันหิวข้าวเป็นเหมือนกันถากินเข้าไปแล้วมันก็อิ่มเป็นเหมือนกันถ้ามาประพฤติปฏิบัติมันก็จะยอ่ยอมได้รับผลเหมือนกัน นัชจาวัสโลโหิตนัชจาโหติภามิโนนัชจากรมิโนโหตินัชจาโหติกรรมิโนจะต่ำช้าเลวสามจะประเสริฐสูงส่งอยู่ที่ชาติกําเนิดก็หาม่ได้จะประเสริฐสูงส่งหรือจะต่ำช้าเลวสามก็อยู่ที่การประพฤติการปฏิบัติหนีหลักเกณฑ์หลักการของพุทธศาสนา จะได้ถามด้วยว่าท่านดีแค่ไหนเก่งแค่ไหนแต่ถึงชาญไม่สมาบัตไหม่แตถึงมากถึงผลมาอย่างนี้มันพูดกันไม่ได้ดอกถ้าจะถามอย่างนี้ก็มาบวช ด, ด้วยกันมาแล้วก็มาปฏิบัติด้วยกันอาตมาก็พูดอย่างนี้ตัดปลทไปโยมก็เลย ยุดอยเพียงแค่นั้นเดี๋ยวนี้มันเป็นกันมากๆเลยนี่โยมมักจะมาเที่ยวดูบางคนก็มาลักษณะว่าพระนี่ปฏิบัติดีแค่ไหนสมควรกราบควรไหว้เรียนก็เป็นสิทธิของโยมอยู่ด อ, อกแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าท่านดีท่านช่วยยังไงเรารู้ไม่ได้ว่าท่านจะดีจะช่วยยังไงยิ่งพระอยู่ในป่านในดงด้วยเราไม่ได้มา น, นอนเฝ้าท่านอยู่ เห็นว่าท่านไม่ดีดูอาการกิริยาภายนอกไม่น่าเลื่อมใสแตไปจะมาจะพูดจะจากระโดกโปกเป๊กอะไรต่างๆอุปนิสัยวาสนาของท่านก็จะตั้งเงียตั้งงอนไม่เคารพไม่เลื่อมใสซะแล้วบางทีดูหัางนอกเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แต่โยมก็เข้าไม่ถึงกูทีๆเรื่องของพระของเจ้า พรพุทธเจ้าว่าน้ำตื้นเงาลึกก็มีน้ำลึกเงาตื้นก็มีผลไม้สุกนอกดิบในก็มีผลไม้สุกในดิบนอกก็มีสมณะาาพามบางจกมพวกเหมือนผลไม้สุกนอกดิบในเหมือนน้ำตื้นเงาลึกจะเดินจะเฮินจะไปจะมาจะคูจะเยียจะกมจะเง ย, จ ะ, เงยจะกล่าวไปข้างหน้าจะถอยกับหนุ่งสบงทรงจีวรประคองบาดผา่าสังขา อากับกิริยาน่าเลื่อมไสอินทรีย์ของท่านส ง, งบระ ง, งับโดภายนอกแต่ภายในไม่รู้จะทุกข์เหตุให้เกิดทุกความดับทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกตัวปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาความดับลงของปัญหาหนทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาชีวิตและสังคมท่านไม่รู้แต่ดูภายนอกมันงดงามเฉยเฉยจิตใจข้างในยังมากเพื่อความ ศาสนาลามกกูอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่าผลไม้สุกนอกดิบในน้ำตื้นเงาลึกที่สุสมณพ า, ามบางจาพวกวางรูปดูอาการข้างนอกเคลื่อนไปไปมาพูดจาคูเหยียดก้มเงยกระดิกพลิ ก, พกแพงเชียงซ้ายย้ายขวาดูแล้วไม่น่าเหลื่อมใสแต่จิตใจของท่านปล่อยวางไม่มีความยึดมัน่นพรือมัน่น รู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกคนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกทำให้แจ่มแจ้งซึ่งทำซึ่งประสาตดาได้สั่งสอนใบแต่คนภายนอกเกาะมองไม่รู้ไม่เห็นท่านกล่าวว่าเหมือนน้ำลึกเงาตื้นเหมือนผลไม้สุกในแต่ดิบนอกเหมือนกล้วยหอมเพนั้นยอมจะรู้ได้ยังไงแต่ยอมทุกวันนี้มักจะไปตั้ง อริยะให้แก่พระสงฆ์เจ้าอาริยะแต่งตั้งอ่ะเดี๋ยวลงหนังสือพิมพ์เดี๋ยวผหัวข่าวหนังสือลงวิทยุออกออกโทรทัศน์อะไรต่างๆเก็บข่าวเก็บอะไรมาช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์เกิดโคสัปประมาณิกาพอใจฮือประมาณในเสียงทันโดงทันดังทันดีญาโยมก็เห็นก็เพียงแค่นี้แหละ บางทีก็ยกย่องท่านเป็นพระอรียเจา้าเป็นพระอรหันต์แห่งยุคซึ่งโยมก็ไม่รู้อยู่ดีๆถ้าเกิดเป็นพระอรหันต์จริงๆคนไม่เป็นพระอรหันต์ก็ไม่สามารถจะรู้ได้สมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ภาพพ่อชะดินสามพี่น้องบริวารเป็นพันที่เป็นนักบวชที่อุุเว ล, ลาเสนานิคมท่านไปนแสดงทำอาทิาาตตปริยยสูตรให้ อุลุเวลากระสปะนาทีกระสปะขยากระสปะพร้อมทั้งบริวารเป็นพันนักบวชนอกศาสนาที่โด่งดังสมัยนั้นแล้วก็ได้ขอบวชกับท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พากันเดินทางมาที่กรุงราชคือซึ่งเป็นเมืองหลวงของแควนมะคตพระจาพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารสิบสองคณะหดแฟนสองมื่นคนไปเฝ้าที่สวนตาล คนหนึงหลายนู่นไปกราบไปไหว้พวกแฉดินสามพี่น้องเขาก็จะว่าสัจดินสามพี่น้องที่เขาเคยกราบไหว้โด่งดังนั้นแหละคือพระอาหารหันต์ที่แท้ที่จริงพระพุทธเจ้าเขาก็มองข้ามแต่ตอนหลังพระแฉดินสามพี่น้องละบุญหวานทั้งพันธนมารกาพระพุทธเจ้าเขาจึงเปลียนใจว่าโอ้อง์นี้ยิ่งเก่งขึ้นไปอีก ก็ไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้านั่นแหละคือครูของพวกอ่าชะดินสามพี่น้องพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์ที่ตแตสรู้เองโดยชอบเพราะนั้นญาโยมทั้งหลายไม่มีทางที่จะรู้อย่าไปตั้งชื่อให้แก่ท่านแล้วในที่สุด ก, ก็จะทำให้ท่านลำบากบางทีท่านกำลังตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำอยู่เพื่อขูดเกาเผาลนปล่อยปะละวางโยมทั้งหลายก็พากันไปเฮสักก่อน ยิ่งใหญ่เลยว่าท่านเป็นพระ อ, อริยะพระอรหันต์ในที่สุดท่านก็ไม่มีเวลาแม้แต่จะกระทำความเพียรของคันเอาไว้อามาบางทีท่านก็หลงลืมเลิงเจื้องไปกับเสียงเซรเสรเซิรนเจินยอที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นคุนพลแห่งกองทัพมารที่จะทำลายจิตใจอันดับแปดอันดับเก้าลาโพสิโลโกสกาโลดาสกาละเสียงเยินยนี่เป็นคุนพลอันดับแปดอันดับเก้า ของพยามารที่จะคอยทำลายภิกษุปุถุชนอย่างเก่งก็จะพอมองเห็นแต่อากับกิริยาภายนอกเหมือนเห็นน้ำตื้นเงาลึกเหมือนเห็นผลไม้ดิบในสุกนอกนั่นแหละแต่ภายในลึกมองไม่เห็นก็จะเห็นแต่เพียงระเบียบภายนอกงดงามยกจ่องสละเซินเยินโยกันไป หาท่านทำสํารวมศีลทำท่างด ง, งามยิ่งให้ท่านไปชั้นเจมังสวิรัตก็ไปอีกโอ้ยอย่าโยมทั้งหลายก็ลหลงเลยวันนี้คือพระอริยะเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอั ป, ปมตตกังโคปนีตังพิคเวโอรมัตตกังศีระมตตกังเยนะปุทชน โ, ทะะะนนโนตถ่าขตัสวรรณงวธรมานวเธยยะ ดูก่อนพิสุททังหลายก็เมื่อปุถุชนจะ ก, กล่าวชมเราแต่ทาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดนั้นมีประมาณน้อยนักแหลยังต่ำนักเป็นเพียงศินโดอประมาตต่างน้อยนักพระพุทธเจ้าองค์าว่าโอระมาตต่างต่ำนักสีระมาตต่างเป็นเพียงสินเท่านั้นหมายว่าเขาเห็นระเบียบภายนอกลระนั้นแหละ ลึกไปกว่านั้นเขาไม่เห็นนี่ขนาดพระพุทธเจ้านะเขาจะยกกั่งไฟละเสริมเขาก่อนดูจะเพียงเปลือกนอกๆแล้วนั้นคนอื่นก็ทำได้แบบนี้คนก็หลงหลายนั่นแหละฟังให้ดีๆพ่ากันคิดท่านบวาอาัติภิกขเวอันเยวะธรรมมาคัมพีราทุทถสาทุรานุโทธาสันตาปนิตาตกาวิจรา นิปุนาบันดิตาเวทิยาดูก่อนพิสุทตังไลยยังมีทาอย่างอื่นอีกแลที่ลึกซึ้งรู้ตามไดอยากสงบปราณี จ, จะขาดคเะเอาไม่ได้และเอรู้ได้เฉพาะบันดิตซึ่งแตถาคตทําให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งเมื่อทําอันอื่นที่เรียว่าอัภิี พิกเวอันเยวะธรรมมาอย่างมีอี้ทมอันอื่นที่ยิ่งไปกว่าภายนอกที่มองเห็นคำพีลาลึกซึ้งมากทุตตะสาเห็นได้ยากกุลานุโพธารู้ตามได้ยากสั้นตาปณีตาสงบปานิทอัตกาวิจาราไมิใช่วิสัยที่จะมาคิดมาเดามาคาดคะเนอว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น นิยมทั้งหลายจะมาถามอาตมาว่ า, าพระฝรั่งในถึงชานไม่ถึงอภิญญาไยม่โยมมาจากจันบุรีวันนั้นอาตมาก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่วิสัยที่จะให้คนธรรมดารู้ได้ถ้าจะพูดไปพระพุทธเจ้าเขาเลยปราบอาบาาัติพระทำไปเล่นไปนะเพราะเห็นนั้นทุกวันนี้หน้าหวาดกลัว อาตมาได้ยินข่าวครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนเขารบนับถือทั่วทั้งประเทศอุ้ยดีใจดีใจแสนจะดีใจอนุมโมทนาสาธุการบัตรนี้พุทธศาสนาเรามีสังขานุภาพขึ้นแล้วมีอนุภาพอำนาจแห่งประสงค์โน้มน้าวจิตใจคนหลังไล้เชื่อฟัง ในความรู้สึกอนุโมทนาสาธุการพ้นสำเร็จจากพระสงฆ์ของเราเหมือนจะช่วยเป็นคุนพลแห่งกองทัพธรรมในยุคค่อนพุทธกาลมาช่วยกันรักษาพระศาสนาในขณะเดียวกันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ลึกๆเมื่อความเด่นความดังของท่านที่คนตั้งหลยหลังไหล เฮ่เฮิมกันไปหนั่งเขาปฏิบัติธรรมตามหรือไม่หรือเฮ อ, อไปกับความเด่นความดังหวังว่าท่านจะได้ช่วยสวนมากถ้าเฮอไปกับเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชเรื่องอุตตริมนุสธรรมนี้มกัจกจะตัดหนทางตนเองไม่อยากจะพาเพียนพยายามประพฤติปฏิบัติตามฝากความเชื่อไว้หวังว่าท่านปุนนั้นจะช่วยเหลือตอนนี้แหละที่มันเสียหายที่สุดในที่สุดอาตมา ก, ก็รู้สึกเป็นห่วงน่า ก, ก้าไป สมัยก่อนนายนิกรทำมาวาตีโด่งดังขึ้นมาแม้มีความรู้สึกชื่นชมอยู่ลึกๆคนเดียวว่าบับนี้พุทธศาสนาของเราก็มีคุนพนแห่งกองทัพทำเกิดขึ้นมาแล้วน่าชื่นชมยินดีในขณะเดียวกันก็อดเป็นห่วงเป็นใยไม่ได้ว่ากลัวจะมีอันตรายกลัวคนจะอิจฉาอีกประการหนึ่งก็กลัวว่าท่านจะเลืง้งจะเจิ้งเมื่อถูกล้มละลายพ่ายแพ้ต่อ อสาสัทธรรมแล้วเมื่อ น, นั้นพุทธศาสนาจะซุดลงเองยิ่งเห็นคนเขาลบเลื่อมใส่แห่แห้งกันไปมากๆนี่มันมีทั้งบวกทั้งลบมันเป็นดาบสองคมเหมือนกับว่าพวกเราพากันฝากชีวิตจิตใจฝากความหวังฝากศาสนาไว้กับคนหนึ่งคนเดียวกับท่านปู้นั้นถ้าหากท่านปู้นั้นเป็นอะไรไปหรือว่าล้มหายตายไปบางที ท่านไม่ตายท่านมีอะไรล้มละลายไปกับทางอัศธรรมเราก็อาจจะไม่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เข้าใจผิดเป็นทางอื่นคนอื่นเหมืองกันมาแกล้งอะไรพวกนี้ในที่สุดก็ไม่ยอมเลื่อมใสไม่ยอมเคารพพระทร ง, ง, ง์องค์เจ้าองค์อื่นองค์ใดนนอกจากท่านปุณิปิดหนทางแกต้ตนเองปิดหูปิดตาตนเองศรัทธาที่เฮือมันมากมากนี่พระพุทธเจ้าว่าหมือนคนมีตาข้างเดียว ไม่มีตาอะไรเมื่อตาเดียวนี่มันบอดไปแล้วตาใหม่ที่เคยเป็นอะไรไว้มันไม่มีมันก็ดับตะเกียงตนเองเลยเพราะฉะนั้นจะต้องเมื่อมันเป็นไปแล้วศรัทธาก็หดปัญญาก็หมดไปด้วยถ้าศรัทธาหดยังไม่หมดปัญญาก็ยังชั่วหน่อยเพราะเหตุ น, นั้นเมื่อใดได้ข่าวพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหลังหล่ไปเขารบบูชากราวไว นี่ความดีใจปลื้มใจแทนพระพุทธเจ้าปลื้มใจในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์ด้วยกันในฐานะที่เราเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาก็ดีใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นห่วงว่ากลัวจะมีผู้อิจฉาพยาบาทเบียดเบียนท่านอีกประการหนึ่งก็เป็นห่วงตัวท่านเองว่าจะประคับประคองไป เอาตัวรอดไปไหมกับลาบส ก, กัลละเสียงเจรยออกปการหนึ่งก็เป็นห่วงผู้ที่ผู้ที่เหอเหิมทั้งหลายแห่กันไปเห่กันไปนั้นจะไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าหรือเพียงไปแห่เฉยเฉยตัว น, นี้และปิดประตูแห่งความเข้างั้นหน้าทางจิตใจยิ่งมางกันโฆษณาช่วยวาทันเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดช เ, เป็นผู้ มีธรรมอันสูงส่องอุต ร, ริมนุษธรรมขึ้นมาโดยท่านก็ไม่ได้พูดอะไรแต่พวกเราว่ากันเองยาติโยว่ากันเองตัวเนี้น่าเป็นห่วงมากพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นห่วงพุทธศาสนาวางระบบแห่งวินัยเรื่องอุต ร, ริมนุษธรรมนี่เหมือนดาบสงคมทำอันยิ่งถ้าหากมีจริงอวดไปต้องอับัปราจิติถ้าหากไม่มีจริงอวดไปก็ องบัติปรารชิกพ่ายแพย้ตายจากศาสนาความจริงถ้าพูดแบบสามัญสํานึกปุถุชนก็ไม่น่าจะมีอบัติถ้ามีจริงก็แสดงออกมาเลยคนจะได้อัศจรรย์ล่ำเลื่อนทั้งแผ่นดินเขาจะได้หลังไลไปเขาลุกไปกราบไหวจะได้เกิดศัก์ศรีดิ๊กดิกดกด๊กแก่พระพุทธศาสนาเกียรติภูมิของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามลึกๆมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้พุทธเจ้าจึง ปรับอาบาัตปาจิตตีสำหรับผู้ที่อวดฤทธ์อวดเดช ก, กับคนทั่วไปอวดเรื่องสมาธิฌานสมาบัตมรพลท้ามีจริงผู้กับคนทั่วๆไปเป็นครวาสซึ่งยังไม่ได้เป็นผู้บวชเป็นพิสุท่านปรับอบัตปาจิตตีต้นเหตุที่จะให้มีพุทธบัญญัตินี้เกิดจากในข่าวทุกพิกภัย ในสมัยพุทธเจ้าเกิดฝนแล้งข้าวยางมากแพงพิสุพวกหนึ่งคิดหาอุบายจะให้พวกตนมีอาหารฉันโดยไม่ลำบากเกีงกล่าวสะลึเซิร์นกันและกันให้ชาวบ้านฟังตามที่เป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างท่านผู้นั้นได้ฌานท่านผู้นั้นได้สมาบัติท่านผู้นันนนนนนน้นมีอภิญญาหูทิปตาทิปหูบนั้นเป็นอย่างนั้นหลบนั้นเป็นโซดาบันหลบนั้นสเกธาคาหลบนะอันนาคาอาลาหันยกย่องกันไปยกย่องกันมาให้คนอื่นทั้งหลายลงไหล ในที่สุดชาวบ้านก็เลื่อมไสพากันบำรุงเลี้ยงดูพิสุกลุ่มนั้นอย่างบริบูรณ์เมื่อพระพุทธเจ้ทาท ร, ทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นห้ามทรงตรีเตียนว่าไม่สมควรที่จะอวดอ้างคุณความดีพิเศษกันและกันเพราะเห็นแก่ปากแกท่ท้องสำหรับผู้ที่อวดอ้างโดยไม่เป็นจริงทรงติเตียนอย่างรุนแรงว่าเป็นมหาโจรที่เลวร้ายที่สุดในโลกเพราะบริโภคอาหารของชาวบ้านชาวเมือง โดยฐานนะขโมยไม่ใช่ในโลกนี้อย่างเดียวนะจะบอกว่าเป็นมหาโจรยอดแห่งมหาโจรในโลกในเทวโลกมารโลกพร ม, มโลกหลอกท้งมนุษย์เทวดามารพรมไปหมดเลยเพราะเหตุนั้นจริงเป็นสิ่งที่น่าคิดพุทธบัญญัติอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในจำพวกวดอุตลิมนุสธรรมศิกษาบทไม่ให้พิสุแสดง ที่ปฏิหารแก่ชาวบ้านพิสูจใได้แสดงพิสษจน์นั้นมีความผิดต้องอบาตรทุกกดวินัยพิจกเล่มที่เจ็ดข้อที่ยี่สิบเก้าถึงข้อที่สามสิบสามหน้าที่สิบสองถึงสิบหกท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ในเรื่องพระปินโทละ า, าระทวาชะเหตุเกิดจากเศรษฐีท่านหนึ่งเศรษฐีสัพดีสัพดลเอาบาดไม้จันมกแวนไว้ที่ปลายไม้ไผ่ แล้ประกาศท้าพิสูจว่าใครเป็นพระอาหารหันต์ตัวจริงมีฤทธิ์จริงก็ขอถาวายบาทนั้นแต่ให้ห่อไปเอาลงมาเองพวกนัาบวช น, นอกศาสนาหาเล่คนที่จะเอาบาต ท, ทำยังไงก็ไม่ได้พระปินโธรภ า, ารถวาชะได้ยินคำท้าประสงค์จะรักษาเกียรติของพระพุทธศาสนาจึงห่อขึ้นไปเอาบาทไม้จันลงมาทำให้ชาวเมืองตื่นเต้นเลื่อมใสกันมากพระพุทธเจ้าทรงทราบทรงบัญญัติ สิคขาบทนั้นห้ามโดยทรงตำหนิว่าไม่สมควรแสดงอิทธิปฏิหารซึ่งเป็นธรรมอันล้ำสามันมนุษย์เพราะเห็นแก่บาตอันเป็นของมีค่าต่ำทรงเปรียบการกระทำเช่นนั้นว่าเปรียบเหมือนตรีที่เผยเอวัยวะเพศอันพึงสงวนให้เขาดูเพราะเห็นแก่เงินแก่ทองของต่ำสามถ้าองค์นี้ไปเอามาพระพุทธเจ้าเอาบาตมาทุบทิ้งเลยแล้วก็แจกเพื่อน เพราะการกระทำของเธอเหมือนมาตุคามเปิดของลับล่อเอาเงินบุลษไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานแกมหาชนไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พระธรรมถ้าคนธรรมดาฟังแล้วก็คงจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าห้ามตามเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเหตุผลส่วนที่ปรากฏชัดซึ่งพระพุทธเจา้าทรงปลาลบก่อนที่จะทรงบัญญัติศคาบทเหล่านี้ก็คือเป็นการไม่สมควร ที่จะอวดคุณความดีความเก่งกล้าสา ม, มารถพิเศษขอนผลเพราะเห็นแก่ลาบสักระหรือประโยชน์ต่างๆแต่ในเวลาที่ ท, ทรงบัญญัติจริงปรากฏว่าทรงเปิดกว้างให้สิกขาบทนั้นมีขอบเขตครอบคุมเหตุจูงใจทุกอย่างไม่เฉพาะการอวดหรือแสดงเพราะเห็นแก่ลาบสักระและผลประโยชน์ที่จะได้เท่านั้นมันมีความหมายลึกกว่าลาบสักระและผลประโยชน์ที่จะได้คอยเข้าใจให้ให้ให้ให้ใหใหดีๆ ประการแสดงแม้เราจะไม่ปรารถนาลาบสักฤะเสียงเยินยออะไรก็ตามแต่มันก็มีโทษที่ลึกลงไปอีกเราจะต้องมองคือท่านมีความปรารถนาที่ลึกซึ้งลงไปอีกด้วยเช่นการที่ไม่ส่งประสงค์ให้ประชาชนตื่นเต้นหลงไหล กับสิ่งที่เข้าใจว่าสูงส่งเกินวิสัยของตนแล้วหันไปคิดพึ่งพาฝ่าความหวังไว้กับผู้อื่นสิ่งอื่นจนละเลยการภาคเพียรพยายามทำตามเหตุผลที่เป็นวิสัยของตนนี่มันน่าคิดมากว่าเมื่อลหลงไหลผู้ใดผู้หนึ่งที่โด่งดังเด่นดังขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่อยากจะภาคเพียรพยายาม ต้องการจะเหอไปแห่ท่านผู้นั้นหวังให้ท่านผู้นั้นได้พึงให้รวยให้ดีให้งามให้ตลอดให้ปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยหรือว่าให้ร่ํารวยด้วยโพคศสมบัติด้วยอํานาจแห่งท่านผู้นั้นก็ไปเห่อคนอยู่ตรงนั้นแทนที่ตนเองจะภาคเพียรพยายามนี่มันปิดกั้นตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าของเราท่านมองลึกมากเลยท่านจึงทรงบัญญัติไว้และยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่ควรพูดถึงในขณะนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือเจตนารมที่คํหนึ่งถึงสอตามหลักการของพระพุทธศาสนาการดำรงอยู่แห่งธรรมวินัยเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกนั้นขึ้นอยู่กับสง์ที่เป็นส่วนรวมทรงฝากพระธรรมวินัยที่ไว้กับพระสงฆ์ไม่ได้ฝากไว้กับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง จึงจะอยู่ได้นานขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูให้ดีนะว่าสงมุ่งหมายให้ประชาชนนี้ได้ธนุบำลุงพระภิกษุสงทั้งหลายและสัมพันธ์กับภิกษุทั้งหลายในฐานะที่เป็นสงฆ์ให้ทานบำรุงและสัมพันธ์กับพระภิกษุในฐานะที่ท่านเป็นภิกษุรูปหนึ่งหรือเป็นตัวแทนผู้หนึ่งของสงฆ์ไม่ใช่ฐานะของภิกษุกอภิกษุโอภิกษุคอ แม้ว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือบางรูปเก่งกล้าสามารถหรือบรรลุธรรมวิเศษความสัมพันธ์ของท่านกับประชาชนก็จะแสดงออกทางสงหรือผ่านสงให้สงมีส่วนร่วมในผลสาเร็จของท่านด้วยคำที่พูดนี้พอจะมองเห็นไม่ยากในกรณีนี้ภิกษุรูปหนึ่งมีความดีความงามสามารถพิเศษถ้ามีความดีความงามสามารถนั้นเป็นไปในฐานะที่ท่านเป็นภิกษุรูปหนึ่ง ผลได้ที่มีมาถึงภิกษุรูปนั้นจะมีมาถึงสงฆ์ทั้งหลายด้วยหรือสงฆ์จะมีส่วนได้รับด้วยสงฆ์จะเจริญนอกงามไปกับภิกษุรูปนั้นไปในทางตรงหัืข้ามถ้าความดีงามความสามารถของภิกษุนั้นแสดงออกในฐานะของบุคคลผูน้นี้ชื่อนี้โดยเฉพาะกลุ่มนี้โดยเฉพาะเอาไ ง, ไง่ยายๆญาติมาเนี่ย สมมุติว่าอตาตมาเด่นดังขึ้นมานะอยากให้ดังก็แลยกนสมมุติว่าอตาตมานี่เด่นดังขึ้นมาคนทั้งหลายก็หลังไลลกันมาฮะอตาตมาแล้วก็มาติดแงกะดูก็ อ, อตาตมาเนี่ยเป็นการดังเฉพาะบุคคลขึ้นมาทีนี่ความดังนี้ไม่ได้ผ่านทัสเฟลต์ไปจนถึงหมู่สงหว่าอันนี้เกิดมาจากธรรมธายาผู้รับมรดกทางธรรมท่านบุญนี้เป็นธรรมสเสนาเป็น พระลักษณธรรมเสนาเป็นกองทหารแห่งธรรมส่วนหน้าของกองทัพธรรมเป็นคุนพลแห่งกองทัพธรรมบนผืนแผ่นดินนี้บนมุมนี้จุดนี้เป็นหนึ่งในภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาอย่างนี้ถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้โอเคมีประโยชน์แก่พระศาสนามากแต่ท่านมาติดแง อยู่ที่อาตามานี่เหมือนกับว่าพระสงฆ์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครดีมึงกับอาตามาเลยอาตามาพูดนี้เท่านั้นแหละที่จะรักษาพระศาสนาถ้าเกิดตายไปละ่ะอาตามามีอายุไม่ถึงสามรอยปีนะร้อยปีก็เป็นได้เดี๋ยวนี้ก็รอวัดอยู่เพิ่งกันว่าจะอยู่ไปกี่วนัน เพราะว่ามันสุดลมหมดแล้วสุขภาพทำงานทำการมากแก่ระสาตนะฟังเสียงดูอยู่แต่ น, นี่ทางคอจะรู้ว่าเสียงก็จะไม่มีจะพัวคอจนแหบจนเครือหมดแล้วเขาเที่ยวไปแสดงคำถ้าคุณงามความดีความสามารถนั้นเป็นในฐานนะที่เป็นพิสุรุหนึ่งผลที่ได้มีมาถึงพิสุรุปนั้นก็จะมาถึงสงด้วยหรือสองจะมีส่วนได้รับผลด้วย รงจะเจริญงอกงามไปกับภิกษุรูปนั้นนี่นะฟังให้ดีแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามกลุ่นงามความดีความสา ม, มารถของภิกษุรูปนั้นหรือของอาตมาเนี่ยแสดงออกมาในฐานะของบุคคลผู้มีชื่อนี้โดยเฉพาะหรือเป็นพวกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โดยเฉพาะภิกษุนั้นจะเจริญเติบโตขึ้น แต่เป็นความเจริญเติบโตส่วนตัวหรือเฉพาะกลุ่มของตัวที่บันรอนให้ทรงสูบโสมอ่อนแอลองช่วยฟังให้ดีนะอุตริมนุสธรรมนี่มันมีผลทั้งบวกทั้งลบเพราะเหนั้นพระรพุทธเจ้าจึงวางบทบัญญัติเกี่ยวกับอุตริมนุสธรรมนี้ไว้ไม่ใช่เบาเลยทเดียว ถ้าไม่มีจริงต้องปาราเช็กถ้ามีจริงอวดทั่วไปต้องปาจิตตีเพราะจะไปบั่นทอนซาตนาให้สุโสมลงอาตมาก็ไม่อยากจะยกตัวอย่างใครยกตัวอย่างอาตมานี่แหละถ้าอาตมาโด่งดังท่านดังไรก็หลังไรมาว่าแต่อาตมานี่แหละดีดีดองอื่นที่ดีกว่าอาตมาเนี่ยมีอีก เ, อเยอะแยะเลย กำลังประพฤติปฏิบัติเข้มอยู่กําลังพยายามภาคเพียนเพื่อจะทําลายอาสวะกิเลสตรงไปตรงมาต่อสินต่อธรรมแต่ท่านเหล่านั้นไม่แสดงออกอุตต ร, ริมนุสธรรมไม่มีใครรู้ท่านแต่อาตมานี่กลับไปบดบังท่านเหล่านั้นยาโยงก็หลังไหลเอาแต่ของมาทาวายอาตมามาเหอกันมาเหฮกันอยู่ตรงนี้ในที่สุด พวกที่มรรคลาบสักระทั้งหลายก็อาจจะหลั่งไหลมาอยู่กับอตาตมานีิมากขึ้นเป็นกลุ่มเมื่อเป็นกลุ่มขึ้นความเจริญเติบโตลาบสักระเสียงเยินยออะไรต่างๆก็จะมาเกิดขึ้นเฉพาะส่วนนี้เป็นกระจุกอาตมานี่ภิกษุกลุ่มที่อยู่กับอาตมานีินิกายนีิคณะนีิก็เจริญเป็นกลุ่มโดยเฉพาะส่วนกลุ่มนี้ ในขณะเดียวกันก็บันทอนตัดรอนให้สงโดยทั่วๆไ ป, ปสูบโสมอ่ อ, อนแอ ล, ลงทไให้ญาณโยมทั้งหลายมองข้ามพระสงฆ์ทั้งหลายต่อไปก็มาติดแงกอยู่ที่นี้และย่าลืมว่าตามาจะต้องตายในเวลาไม่เกินร้อยปีสงที่จะยังโย่รักษาพระศาสนาเป็นหมู่เป็นคณะจะก้องยังหยุดต่อไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราทังกนเลยปราบอาบัต ปัจจิตีผู้ทีอ่อวดอุตลิมนุษยธรรมที่มีจริงแก่คนทั่วไปเพราะเหนั้นการอวดคุณวิเศษของพิษุย่อมทำให้ประชาชนรวมจุดความสนใจไปที่ภิสุนั้นและกะ็หารไปทุ่มเทความอุปถรัรมภ์บำรุงให้ในเวลาเดียวกันสงจะด้อยความสำคัญลงอาบามาพะระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านใบพระเทระถึงเคยสร้างคุณงามความดีอะไรมามากเนี่ย โยมญาติโยมทั้งหลายก็มองข้ามกันไปหมดเลยไม่มีใครดีก็จะมาดีที่อาตมาเนี่ยด้วยความต้องขันลงไปอีกเลยองค์อื่นผ้าอื่นผู้หลักผู้ใหญ่พี่ส่สวนใหญ่ก็ไม่ได้รับความเอาใจใส่าขาดผลได้และสองส่วนรวมก็จะอ่อนกําลังลงด้วยภายในก็มีแต่องค์นี้แหละองค์อื่นก็อ่อนกําลังโลกอ่อนกาลังลงสมส่วนใหญ่ด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายต้องมองต่อไปว่าเมื่อ กลุ่มนี้คนนี้ตายไปศาสนาก็จะตายไปด้วยหรือไม่ศรัทธาของนั้นก็จะหดไปปัญญาก็หมดไปที่นี้คนที่จะสืบต่อไปยังมีคือพระสององค์เจ้าด้วยเหตุนั้นท่านยังไม่ต้องการให้ติดตัวบุคคลพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลนะหลีกนีไปเลยถ้าคนมาหลงติดท่านมีตัวอย่างพระอรหันต์บางท่านในสมัยพุทธกาลเมื่อความดี เด่นและความสามารถพิเศษของท่านปรากฏเป็นที่รู้ขึ้นและในเมื่อความสนใจต่อตัวท่านปเปลี่ยนจากความสนใจในฐานะพิกษุรูปหนึ่งกลายมาเป็นไปเป็นความผูพันในตัวบุคคลพร้อมกับมีลาภผลศัจระติดตามมาตัวท่านกลายเป็นที่รวมความสนใจแทนสงแทนที่จะมาสนใจกับสง์ให้ความสัมพันธ์หมู่สงกลับมาสนใจกับท่านรวมลงที่ตัวท่านอย่างนี้ เป็นเหตุให้ความสนใจต่อภิกษุส่วนมากและส่วนรวมและความัมพันธ์ของสองวสลงท่านก็เหลกออกไปเสียจากที่นั้นท่านลองไปพิจารณาดูเรื่องพระอิสิท ต, ตะพระมหากะอยู่ในสังยุตติกายสไลด์ฉบวักเล่มที่สิบแปดข้อที่ห้าร้อยสี่สิบหกถึงห้าร้อยห้าสิบเจ็ดหน้าที่สามร้อยสี่สิบเก้าถึงสามร้อยห้าสิบแปด แล้วก็ยังมีในองัององัองอังคุงตริกราธกะถ า, าพอจะหาได้พระ อ, อิศิท ต, ตะเนี่ยพระมหะ ก, กะนี่ยอิศิท ต, ตะในบวชพรรษาเดียวนะเป็นพระอรหันต์แล้ววันหนึ่งจิตาเครืหอหบดีนิมนต์ไปฉันในบ้านกับพระเทระเป็นจำนวนมากจิตาเครืหอหบดีนี่เป็นคนแตกฉานเป็นนักเทศที่โด่งดังเป็นอุบาสกที่เป็นนักเทศแล้วก็เป็นอนาคามี พอฉันเสร็จทางกาะสนทนาธรรมต่องก็ถามปัญหาพระเทระถามอย่างละเอียดอย่างลึกซึ้งพระเทระตอบไม่ได้นั่งนิ่งพระอิศิตาซึ่งบวชฝัรษาเดียวแต่ก็เป็นพ่อรหันหาละหันที่รู้เรื่องด้วยปัญญาด้วยท่านก็เลยขออนุญาตส่งตอบพระผู้ใหญ่ก็อนุญาตท่านก็ตอบทุกขั้นตอนจนในที่สุดกิตาคือหาบอดีผู้ปาดเปืองนี่ก็จน ม, มุม เมื่อถามเรื่องสัญญาเวทยิตตนิโลดถามเรื่องการเข้าการออกสัญญาเวทยิตตนิโลดแล้วก่อนจะเข้าเตรียมจิตยังไงอะไรยังไงในที่สุดท่านก็บอกว่าคำถามนี้น่าจะได้ถามก่อนกลับมาถามทีหลังถ้าจะพูดต่อไปอีกก็คงจะไม่รู้เพราะว่าภูมิทําคนละชั้นกันแล้วอิสิทัตตาท่านเป็นพระอรหันต์แต่จิตตคืหอหบดีเป็นอนาคาไม เกิดความทึ่งในปัญญาของท่านเลื่อมใสถามว่าท่านบวนานอย่าง่ันสาดเดียวยิ่งมีความเลื่อมใสถามใบธรรมาก็เป็นเพื่อนกันเป็นอาทิตย์ทสหายที่ไม่เคยเห็นพ่อแม่ตั้งให้อยู่คนละเมืองในฤาสีเกาะเลื่อกกมใสมากถึงขนาดว่ามอบวัดอัมพาตะกะวันมัชกาสน้ให้ให้ท่านรับจะอุปธรมคำจุน อย่างดีงามด้วยปัจจัยสีมอบวัดให้เลยสร้างวัดมอบเลยท่านก็นิ่งแล้วก็บอกอนุโมทนาที่ท่านตะหวายให้ในกลางคืนท่านก็เก็บบาตรเก็บจีวรเก็บบริขารหนีจากอัปภารกตะวันไม่ปรากฏให้ชโมหน้าท่านเอกเลยในพระไตรปิฎกนี่องค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็พระมหากัะพรรษาเดียวเป็นพระอรหันต์ที่เก่งเวลิก็ไปเจอกับ จิตตะคือหาบอดีที่นิมนต์ไปชันที่บ้านจิตตะคือหาบอดีนั้นดังกล่าวแล้วว่าเป็นอนาคามียท่านมักจะแสดงธรรมให้พระทรงองค์เจ้าฟังจนเข้าใจมีปัญหาท่านตอนพอนิมนต์พไปชั้นที่บ้านนั่นก็จะนิมนต์พแสดงธรรมหรือมิเช่นนั้นทางก็สนทนาธรรมเป็นการแสดงธรรมแบบปุจฉาช่วยกันให้คนเข้าใจธรรมะแต่วันนั้น เดินออกมาจากบ้านมันแดดหน้าร้อนอย่างนี้แหละร้อนมากพระแก่ๆพระเทระทั้งหลายคือไหลสม้มผูดกนออกมาว่าแม่มันร้อนเหมือนกับจะเปื่อยจะยุ่ยออกมาเลยเนื้อห น, นังมันจะจะไหมเตรียมจะเปื่อยออกมาท่านมหากะเดินตามหลังก็บอกว่าถ้าเมฆก้อนใหญ่ ถูกลมพัดมาแล้วมาคลึ้มอยู่ตรงนี้แล้วก็ลมอ่อนๆพัดมาฝนมาเมล็ดทางหา่างเมล็ดทางหา่างตกมาจะดีไหมครับพระผู้หล่าผู้ใหญ่บอกโอ้ oh, ดีสิท่านถ้าเป็นอย่างนั้นท่านก็จัดการเลยบรรดานอิฐทาพิสังขารทันทีเลยเดินตามหลังบรรดานอิททาพิสังขารด้วยลทธิของท่านทำให้เมฆคลึ้มมาบดบังแสงตะวันที่แผดกล้าแลวก็สายลมอ่อนๆพัดโชยมา ผลไม่ทางหางปกลงท่านก็ถามว่าขนาดนี้พอไหมครับพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็พกูกเออพอพอพ อ, พอดีแล้วส่วนจิตาเครื่องหับดีที่เดินถือห่อของตามหลังส่งนี่ก็เกิดความขนลุกสู้ทราบไม่เคยเห็นแหมท่านนี่เก่งจริงเลยพอกลับไปถึงวัดก็ตามไปส่งถึงกุฏิถามท่านบวชมานานเลยอย่างพรรษาเดียวพรรษาเดียวท่านเก่งขนาดนี้ท่านเดบทำบรรดาลอิฐทาพิสังขารผมได้บูชาแล้วผมอัศจรรย์ อยากจะเห็นยิ่งยิ่งขึ้นท่านสามารถจะทำให้เห็นอีกไหมท่านก็บอกว่าไปเอาญ่าแห้งๆมาสิเอามาปูไว้นอกชานแล้วเอาผ้าขาวปูทับแล้วท่านก็เข้าไปในกุฏิปิดประตูลั่นดานลงทั้งหมดแล้วท่านก็นั่งเพ่งเปยโชกศิลไฟแลบออกมาตามช่องของฝาออกมาไม่ยาแห้งๆลุกพึบขึ้นแต่ไม่ไหมผ้าขาว เปียงแค่นั้นจิตใจคือหาบดีขนพองสยองก้าวเลยขนลุกขนพองแล้วก็ถามว่าพอหรือยังบอกพอแล้วท่านก็เกิดความเลื่อมใสเข้าไปกราบด้วยความสนิทเลื่อมใสมากว่ามีฤทธิ์มีเดชมากถามว่าบวชมานาะยังพรรษาเดียวเกิดความเลื่อมใสก็ขอถาวายมชิกาสนอัมพากตะวันให้ขอถาวายให้เลยลืมหมดเลยพระทรงองค์ก้าองค์ใหญ่ๆท่านก็อนุโมทนา ในคืนนั้นท่านก็เก็บบาทเก็บทีวอนเก็บบริขารของท่านออกกากมชิกาสนอัมภากตะวันหายเงียบไม่ปรากฏโมหน้าอีกเลยในพระแต่ปิดกนี่แสดงให้เห็นว่าในสมัยพุทธกาลนุ้ยพระอรหันต์าารจริงๆท่านไม่ต้องการให้ใครมาติดท่านดอกกลัวว่าเมื่อมาติดกับท่านแล้วก็ปิดความเลื่อมใสในพระสง์ทั้งหลายต่อไปความเจริญเติบโตทางาะลาภสกุะก็จะ จะเลื่อขึ้นเฉพาะตัวท่านเองและก็กลุ่มของท่านหมู่คณะของท่านในขณะเดียวกันสงทั้งหลายส่วนรวมก็อ่อนแรงลงสูบโสมลงท่านเป็นไปเช่นดีเป็นไปเพื่อบันทอนกําลังสังขานุภาบก็เรียกว่าสภพสังขานุภาเวนะอนุภาพแห่งสงทั้งปวงเดียนี้มันอนุภาพสององค์เดียวเท่านั้นในที่สุดท่านผู้ี้ก็จะตายไปอายุ ไม่เกินร้อยปีจะศาสนานี้ควรจะอยู่นานกว่าร้อยปีควรจะอยู่เป็นพันเป็นหมื่นปีก็ยิ่งดีเพราะว่าเมื่ออยู่เท่าไหร่ก็ทําให้เกิดความสุขความสงบร่มเย็นแก่ศาสนาแกาา่โลกแกส่แกสังคมศาสนาจะยังอยู่ได้ก็คือทุกคนจะต้องเข้าใจธรรมะเป็นสมาธิแล้วประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยนั้นไม่ใช่หวังพึ่งแต่คนใดคนหนึ่งให้คนนั้นคนนี้มาช่วยเราเนี่ย พระบุทธเจาของเราท่านจึงบอกว่าคารุกกาสังฆาณาเอาอำนาจสงน่นเป็นใหญ่กล่าวโดยสรุปการอวดหรือบอกก่าอุตตลิมนุษธรรมหรือคุณวิเศษของตนแก่ชาวบ้านแม้จะเป็นจริงก็มีผลเสียหายที่สำคัญแก่ส่วนรวมดังนี้คือทำให้ชาวบ้านตื่นเ ต, ต้นระดมความสนใจมารวมที่บุคคลผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวแทนสนใจสงดังได้กล่าวมาแล้ว และชาวบ้านผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะเกิดเปรียบเกิดเทียบเกิดความรู้สึกรู้ถูกดูแคลนท่านอื่นกลุ่มอื่นอย่างถูกต้องบ้างอย่างผิดพลาดบ้างเป็นโทษแก่ตนเองบ้างเป็นโทษแก่พระศาสนาโดยส่วนรวมความข้อนี้สัมพันธ์กับข้อต่อๆไปและเมื่อมีการอวดกันได้เอาละเศรษฐีไม่เฉพาะท่านที่รู้จริงได้จริงเท่านั้นที่จะอวดท่านที่สําคัญตนผิดก็จะอวด แต่ที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นช่องให้ผู้ที่ไม่ละอายทั้งหลายพากันช่วยโอกาสอวดกันวุ่นวายช่วยกันโคชนาะประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนทางมาสปีเดียมทางโทรทัศน์ทางหนังสือช่วยกันตั้งกองเสียขึ้นเชียกันเหมือนบูเรีนหาเสียงอย่างนี้แหละก็ต้องหาหัวคะแนนหาอะไรมาช่วยี่เตรไปให้ดีนะนที่ส ก, ก็วุ่นไวายไปหมด แล้วชาวบ้านซึ่งไม่ได้รู้ไม่ได้มีประสบการณ์เองก็แยกไม่ถกว่าอย่างไหนจริงอย่างไหนเท็จบางคราวที่เท็จมองในสายตาชาวบ้านกับเป็นของจริงอัศจรรย์น่าเชื่อถือยิ่งกว่าดังที่ผู้เชี่ยวชาญในการหลอกหรือการเล่นกลลวงชาวบ้านได้สาเร็จกันม า, มามากต่อมากแล้วค้อนี้มันก็สัมพันธ์กับข้อต่อไปอีกคือชาวบ้าน ระดับโลกีภูทุชนตั้งหลายมีความพอใจนิยมชมชอบต่างๆกันตื่นเต้นในต่างสิ่งต่างระดับกันและผู้ที่บรรลุธรรมวิเศษก็มีบุคลิลักษณะคุณสมบัติและความสามารถด้านอื่นๆต่างกันไปมิใช่จะมีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะเป็นผู้นําตามรอยบาของพระสัพดาได้เหมือนกันบางท่านบรรลุธรรมวิเศษแล้วผู้สอนอธิบายธรรมะไม่เป็นเลย ขายกับพระปเจกกับพระพุทธเจ้าสู้แต่พระพระหุสูตรที่ยังไม่บรรลุก็ไม่ได้อย่าลืมนะพระพหุสูตรที่เรียนตรงกรามม่าคลองปาเกเกนใจอธิบายธรรมะละเอียดอุย้ยพระอรหันต์จริงกับบางองค์อธิบายไม่เป็นเลยก็มีเปรียบได้กับคนที่ได้ไปเที่ยวทิ้นห่างไกลเห็นมาด้วยตนเองกลับมาแล้วบางคนพูดคุยเล่าให้คนอืน่นฟัง ไม่จับจิตไม่จูงใจส่วนบางคนไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเลยจริงจริ ง, ร ง, รงเคยอ่านแต่นังสือดูแต่แผนที่แต่เล่าได้เป็นคุ้งเป็นแควน่าตื่นน่าเต้นเหมือนอย่างครูบางครูครูบางท่านสอนวิชาภูมิศาสตร์เมืองฝรั่งเกงมากเลยทั้งที่ตนเองไม่เคยไปแต่บางคนไปอยู่เมืองฝรั่งตั้งหลายปีมาสอนก็ยังไม่เก่งเท่ากับผู้ที่ไม่เคยไปเลยวมอย่างนี้ หรือในด้านบุคลิกลักษณะบางท่านสําเร็จอริยพจน์แล้วก็จริงแต่รูปร่างไม่ชวนเลื่อมใสเช่นอย่างพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลชื่อว่าละกุณตะตตะพัทธิยะมีรูปร่างเตี้ยๆคล่อมๆถูกพระนุ่มเนี้นน้อยคอยล้อคอยเลียนเยา้าแยอยู่เสมอจนพระพุทธเจ้าต้องมาช่วยอนุเคราะห์ท่านปุนีิรูปร่างเตี้ยๆยเป็นคนแค่แต่เป็นพระอรหันต์นะ มันลือสีหน้าเนียโอ้ยเก่งแต่เวลาท่านมาพระที่ไม่รู้พระพุทธชนเอามือรวบหัวเขาใจญ่บรรเลงทรัพย์มากอกมงก์มงเอกอยหน่อยบาคซื้อบรละพ่ย่นแคนี้ห น, น่อยเขาอยู่อยูบอ่บรละเป็นทหารแตหัวจเป็นทรัพย์มากอกแ่ปอกหลอดเด้อพระันทรกเล่นหัวเล่นมังเกเนใหญ่ใก็มาเล่นพระพุทธจ้าก็สงสารท่านก็เลยช่วย บอกให้ฟังวันนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะมันลือเสียนาจึงลาศสีนะเนี่ยท่านพูมเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชไม่เบาเลยมีสติปัญญาถึงเป็นพระอรหันต่างทั้งหลายจึงจึงรู้จึงพากันไม่ทำอย่างนั้นใครไปรู้ภาว่าพราะอรหันต์จริงๆดูพระอรหันต์ถูกเล่นหัวสับมังเอกเล่นสไปสบา ย, ายเพราะนั้นมันรู้กันไม่ได้เลยเรื่องภายในนอกจากผู้ที่มีภูมิธรรมเท่ากัน ในกรณีเช่นนี้ท่านที่บรรลุจริงนั้นแหละเมื่ออวดแล้วกลับจะทำให้คนไม่เชื่อหรือถ้าเชื่อเข้าก็เลยหมดหรือคลายความเลื่อมใสในในพระศาสนาลงไปส่วนคนที่ไม่ได้จริงแต่พูดคล่องลอกเก่งลักษณะดีกับนำาุูงชนสู่ทางผิดไปได้จำนวนมากก็มีทำไปเล่นไปนะ สมัยก่อนกรลังที่เราได้รู้เรื่องราวของนิกอธรรมาวาทีอย่างนี้แหละพูดแล้วก็ไม่อยากจะพูดมันชอกช้ำและกำกรมเขื่อนชาวพุทธเราเหมือนกันเอามาเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยเท่า น, นั้นแหละที่เมื่อท่านที่บรรลุจริงสอนเก่งอวดแล้วสอนบ้างท่านที่บรรลุจริงสอนไม่เป็นแล้วพูดออกมาบ้างท่านที่ไม่รู้จริง สำคัญตนผิดคิดว่าบรรลุแล้วเที่ยวบอกเล่าไว้บ้างทันที่ไม่บรรลุแต่ชอบหลอกพูดลวงเข้าไปบ้างต่อไปหลักภาษาตนะก็จะสับส น, นปนเปืันเฟือนไม่รู้ว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมบางท่านมีส่วนรู้จริงในประสบการณ์บางแง่บางอย่างแต่ทำอัดกับพยัญชนะให้เคลื่อนคลาดออกจากกันเพราะหย่อนความรู้ทางปริยัต ก็ทําให้หลักคำสับสนเสียเอกภาพแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าความจริงนั้นการยืนยันความตรรสรูปเป็นภารกิจของพระพุทธเจ้าของพระศาสดาซึ่งเป็นผู้นําในเมื่อจะนําทําหน้าที่เป็นผู้ตั้งพระศาสนาปกป้องพระศาสนานั้นพร้อมทั้งหมู่สาวกส่วนหมู่สาวกภายหลังเมื่อสมัครเข้ามาก็คือยอมรับคําสอนของพระศาสดา แล้วการยืนยันหรืออ้างอิงจิ้งไปอยู่ที่องค์พระสัตตดาและคำสอนของพระองค์ความรับผิดชอบในการสอนไม่อยู่ที่อ้างการบรรลุของตนแต่อยู่ที่สอนให้ตรงกับคำสอนของพระสัตรดาเขาใจะให้ดีนะว่าการรับผิดชอบต่อการสอนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ที่อ้างว่าเราเดียดเป็นผู้สำเร็จเป็นผู้วิเศษอย่างน้นอย่างนี้ยังไม่ใช่ ต้องอ้างคําสอนของพุทธเจ้านั้นให้ถูกต้องให้ชัดเจนอย่างนี้ไม่ใช่คาสอนของเราเป็นคําสอนของพุทธเจ้าออกมาพูดฟังเดียวนี้ไม่มีธรรมะของพุทธเจ้ากําลังขาดลงธรรมะของอาจารย์นู้นธรรมะของอาจารย์นี่เข้าไปแล้วอีกเราก็พากันลือพรพุทธเจ้าหน้าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบในการสอนไม่อยู่ที่อ้างการบรรลุของตน แต่อยู่ที่สอนให้ตรงกับคําสอนของพระสัตตาของพระพุทธเจ้าหรือสอนตัวพระพุทธศาสนาแท้ๆดังนั้นสาวกทั้งหลายจึงมุ่งว่าจะสอนให้ถูกต้องตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรจะเอาความซื่อตรงต่อคำสอนของพระสัตตดานี่เป็นเกณฑ์วัดความถูกต้องของการสอนพระพุทธศาสนาไม่จําเป็นต้องอ่านการบรรลุของตนเป็นหลักเกณฑ์ตัดสิน จึงทําให้ดํารงเอกภาพแห่งคําสอนและเอกภาพแห่งพระพุทธศาสนาทั้งหมดเอาไว้ได้ในนี่มันไม่เป็นเอกภาพมันไม่เป็นยูนิตี้มาสิบองสอนสิบอย่างถาว่ากันตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ากันตามพระไตรปิฎกไปจังนี่อย่างนี้อย่างนี้มันจะพีกันตรงไหน <c oughs> พระไตรปิฎกสี่สิบห้าเล่มสองหมืหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกน่าจะแบบ ภาษาบาลีนั้นไม่ได้พินแปลกกันเลยมันเหมือนกันหมดแต่เวลาพระสองอค์เจ้าของเรามาสอนกันมาสิองสอนสิบอย่างตรงนี้ชาวบ้านก็ยิ่งจะสับสนพูดให้ลึกลงไปอีกท่านว่าไม่ต้องกลัวว่าผู้บรรลุอริยะผลแล้วจะมาพูดอวดอ้างหรือเปล่าประกาศเพราะเป็นธรรมดาของพระอริยะเจ้าทั้งหลายเองที่ว่าท่านไม่วดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ที่อวดว่าตนเป็นพระอริยะก็คืออวดว่าไม่ได้เป็นพระอริยะนั่นเองฟังให้ดีนะจะได้อวดตนเป็นพระอริยะก็มีมีเรื่องมีราวว่าโอ้ยโสดาบันผ่านแล้วสัิธาคามีผ่านแล้วอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยผู้ที่อวดตนเป็นพระอริยะนั่นแหละคือการอวดว่าไม่ได้เป็นพระอริยะนั่นเองผู้ที่อวดคุณวิเศษที่มีจริง จะมีก็แต่ปุถุชนซึ่งได้คุณวิเศษชั้นโลกีเช่นชานสมาบัตเป็นต้นอย่างที่พระเทวทัตาเคยทำมาแต่ผู้ที่เป็นพระอริยะเจ้าชี้จีกันไม่อวดกันแล้วไม่รู้เลยเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยโยงไปให้คิดเกี่ยวกับสังฆทานซึ่งเป็นธรรมสำคัญอีกข้อหนึ่งทานคือการให้ในทางพุทธศาสนาแบ่งเป็นสงอย่าง คือให้แก่บุคคลให้เจาะจงจำเพาะตัวผู้นั้นผู้นี้เรียกว่าปฏิปุคคฤิคฐานและให้แก่สองให้มุ่งมไม้เพื่อส่วนรวมเรียกว่าสังคธานคําสอนในเรื่องนี้มีว่าสําหรับการให้แก่บุคคลการให้แก่คนชั่วหรือคนมีคุณงามความดีน้อยมีผลน้อยการให้แก่คนมีคุณงามความดีมากมีผลมาก แต่การให้แก่ส่วนรวมหรือสงมีผลมากกว่าการให้แก่บุคคลไม่ว่ากรณีใดๆพระพุทธเจ้าทรงแยกประเภทปฏิปุคะลิกทานหรือการให้แก่บุคคลออกไปเช่นใ ห, ให้แก่พระพุทธเจ้าให้แก่พระปัเจกพุทธเจา้าให้แก่พระอรหรันต์สาธกตลอดไปจนถึงให้แก่ปุถุชนผู้มีสิ้นปุถุชนผู้ทุสิลให้แก่สัตว์เดรัจฉาน ทรงเปรียบเทียบว่าให้แกสัตว์เดรัานมีคุณความดีเป็นร้อยให้แกพุทุชนพุทุสินมีคุณความดีเป็นพันให้แกพุทุชนผู้มีสินมีคุณความดีเป็นหมืน่นให้แกนักบวชภายนอกศาสนาที่ไม่มีราคาอย่าลืมว่านักบวชนอกศาสนาสมัยพุทธกาลนู่นเขามีฌาน ถึงขนาดว่าเนวสัญญานาสัญญาเจตนะญญในขณะที่เขามีชานก็ก็ข่มราคะแหละราคาไม่มีท่านว่าให้แก่นักบวชภายนอกตราฐานที่ไม่มีราคะมีผลเป็นแสนกอดมีคุณเป็นแสนกอดให้แก่พระโสดาบันมีคุณเป็นอสงไขยให้แก่บุคคลมีคุณความดียิ่งกว่านั้นไปเป็นอันไม่ต้องพูดถึง ส่วนของที่ให้เพื่อสงก็อาจจะถวายแก่สงสองฝ่ายภิกษุสงภิกษุณีสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนับว่าเป็นสังฆทานขั้นครบถุ่นที่สุดถัดจากนั้นก็อาจถวายแก่สงสองฝ่ายในในเมื่อพระพุทธเจ้าประนิญผ่านไปแล้วตลอดลงมาถึงถวายโดยจะภิกษุรูปหนึ่งหรือภิกษุณีรูปได้รูปหนึ่ง๋ยวนี้ไม่มีภิกษุณีจานวนเท่านั้นเท่านี้จากสงมารับ ถวายให้สงทั่วโลกเนี่ยแต่ให้พระองค์เดียวไปรับแทนอย่างนี้ได้ ว, ว่าแทนสงเป็นตัวแทนสงโดยไม่เจาะจงว่าองค์นั่นอง์นี้หรือแม้แต่เมื่อเวลาล่วงไปนานทําวิเนจวนจะสิน้นถวายแก่พระสงฆ์ผู้ถูกศิลปเหลือแต่เพียงผ้าเหลืองน้อยห้อยคอคนโบราณว่าผ้าเหลืองน้อยห้อยหูภาษาบาลีว่าตาสาวะกันถาปาปะซีลาผู้ผู้มีบาศทาอันลามก มีผ้ากาสาวะพันคอกาสาวะตัญหาทุศีลาปาปะธรร ม, มาโคตรละพุโนภิกษุสงในหัวเลี้ยวหัวต่อเรียกว่าโคตรละพุสงมีผ้าเลืองพันคอทูมีบาปทรรมอันลามกก็ยังได้ผลมากคือให้ให้ให้เป็นสง์พระพุทธเจ้าวันนับประมาณไม่ถ้วนมีผลมากมายรงกรูสว่าเราไม่กะว่าปฏิปุคลิกทานคือให้แก่บุคคล มีผลมากกว่าของที่ให้แก่สงโดยปริยายใดๆเลยลองไปเปิดดูอุปริบนาม่ชม่มนในกายเล่มที่สิบสี่ที่เรียกว่ า, าทักขีนาวิภังทักขีนาวิภังขสสตุข้อที่เจ็ดร้อยสิบถึงเจ็ดร้อยสิบสามหน้าที่สี่ร้อยห้าสิบแปดถึงสี่ร้อยหกสิบเอ็ดพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ปารบนางประชาบดีโคตมี ท่านมาถวายใ้ผ้าต่ามาเองทอมาเองต้องการให้พระพุทธเจ้ารับอยากแก้ได้บุญมากๆพระพุทธเจ้าไม่รับบอกให้ถวายส่งมันได้บุญมากทั้งก็เปรียบเทียบเรื่องนี้ว่าในอนาคตการนู่นเขาจะให้ทานแก่เหล่าโคตละผูสงผู้มีบาปทำอันลามกผู้ทุสิงมีผ้าเลืองน้อยห้อยหูแต่เขามีเจตนาบริสุทธิ์เขายังดังได้บุญนับประมาณไม่ถ้วนอย่างนี้อนาคตมัทธานัง โคตรละภูโนโกาสาวะกันธาทุสีลาปาปะธรรมะในอนาคตตการจะมีภิกษุเหล่าโคตรละภูหัวเลี้ยวหัวต่อมีผ้าเหลืองพันคอมีบาปรมอันลามกเป็นผู้ผูสิ้นหมาชนทั้งหลายปราถนาบุญป่าถนานกุศลก็จะให้ทานแก่บุคคลเหล่านั้นเพราะเขาเลิกไม่ได้เราก็ว่าอปะไม่ยังอปะสังกายัาง น, ะนับประมาณไม่ท้วนเลยอปะประมาณไม่ท่วน เรื่องบุญว่าเขาจะได้ขนาดไหนแต่ท่านจะไปตกนรกกลุ่มไหนก็ะชังเพราะท่านขออภัยจะรุนแรงพูดด้วยความเร็วสูงเนี่ยได้เคยพูดกับท้าลุกกมมิกะเหมือนกันว่าท่านยังเป็นผู้ให้ทานอยู่แล้วหรือก็ต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่และทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะพระภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดของพระบางสกุลเป็นวัดให้แต่พระอรหันต์ผู้